พระธรรมเทศนาแผ่นที่54ลำดับที่เ็ดโดยหลวงพ่ออินทวาวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่27พฤษภาคม2556มีชื่อเรื่องว่าไม้ใกล้ฝั่งนั่งใกล้คลองวันนี้เป็นวันที่27็ด พุทธสภาคมพุทธศกราช2556พระในวัดของเราตามที่ท่านพระเวรรายงานพระ35ลงมาฉัน28งดฉัน7นาคหนึ่งและเมื่อวานพวกเราคณะศรัทธาญาติโยมและพระสงฆ์บางส่วน ก็ได้ไปงานไปชุมเพลิงหลวงพ่อคูณสุเมโธวัดป่าภูดินอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีของเรานะัลม<ะ>รณภาพตั้งแต่วันที่สิบสองด้วยโรคหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจขาดเลือดหรืหัวใจวายสัยนั้น่ะคือฉับพลัน ได้มรณาภาพนู่นอยู่ที่ประดังเมษาภาคใต้ท่านจะไปข้ามไปมาเลพปนเถรก็เลยมรณาภาพแบบสับพลันเสร็จแล้วได้นําศรีละของท่านกลับขึ้นมาถึงวัดของท่านวันที่สิสาวันที่สิบสาตอนบ่ายแล้วก็วันที่13ตอนเย็นสวดอภิธรรม เสร็จเรียบร้อยลงหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมรู้สึกว่าฝนตกแรงมากวันนั้นแรงมากๆเลยในช่วงปีนี้คือว่าวันนั้นฝนตกแรงมากจนอึ่งอ่างกบเขียดร้องเสียงสนัน่นวันไหวไปหมดพอฝนตกหยุดแล้วหลวงพ่อก็ได้เทศในวันนั้นแต่ก็วันที่ยี่สิบหกวันอาทิตย์ที่2ี่สิบหก สองอาทิตย์ก็ได้ไปชุมเพิงเมื่อวานตอนบ่ายสี่โมงรู้สึกว่าพระสงฆ์มากนะดูแลพระสงฆ์พระมากญาติโยมก็มากแต่ว่าการจัดงานศพการจัดงานเรื่องปรมพิ ธ, ธีหรืออะไรเนระรู้สึกว่ามีอุปสรรคอุปสรรกับฝนฝนตก โชคมากในช่วงนี้แต่เมื่อวานกนา็นับว่าโชคดีอย่างมากอีกฝนไม่ตกแล้วก็แต่แดดร้อนเปี้ยงแล้วก็หม่อมหลวงสาราีกิติยากรน้องพระองค์สมเป็นผู้แทนพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์สมมาในงาน เมื่อวานก็งานก็เป็นไปด้วยดีเรียบร้อยทุกอย่างราบรื่นพอเสร็จพอวางดอกไม้จันทร์เสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็หาทางออกมากลับรู้สึกว่าโอโ้ก่อนจะออกมาก็เหมือนกับพึ่งแตกรังอย่างนั้นคนออกมาเยอะไปคนละทิศละทาง รถออกมาติดอยู่แถวทางออกคอคอรนะ์ใช้เวลานานพอสมควรออกมาเมื่อวานสรุปแล้วก็คือไม่ว่าครูบาอาจารย์ไม่ว่าศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อเองมายืนอยู่จุดนี้จุดนี้คืออะไรจุดนี้คืออายุหกสิบเจ็ดหกสิบเก้า จะเข้าเจ็ดสิบมายืนอยู่จุดนี้มองไปทางด้านไหนได้ยินแต่เสียงไม่ใช่มองหรอกยืนหลับตาอยู่ก็ได้ยินเสียงเดี๋ยวคนนั้นกลุ่มนั้นคณะศรัทธายาติโยมหมู่พกเพื่อนญาติพี่น้องครูบาอาจารย์พระสงฆ์ศรัทธายาติโยมคนนั้น จากไปคนในจากไปคนท่านตายไปได้ยินบ่อยบ่อยมากๆเพราะเหตุไรเพราะมันอยู่จุดอยู่จุดที่จะต้องได้ยินละช่วงเนี่ยสมัยเมื่อเราเป็นน้อยเป็นหนุ่มเราก็ได้ยินอยู่แต่เราก็ไม่ได้สนใจเพราะไม่ใช่ในระดับของเราแต่พอมาถึงจุดนี้อยู่ในระดับระดับรบู้จักมรคนอายุ เท่าเทียมอายุใกล้เคียงและก็การงานที่ผ่านมาก็เห็นกันจากนั้นก็ล้มหายตายจากจากไปบ่อยมากแต่เมื่อวานก็ได้ยินขึ้นมาอีกอายุก็นี่ยแหะใกล้กัะหลงพ่ออีกเหมือนกันเป็นผู้การตํารวจแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ยิน วันนั้นสรุปแล้วก็หลวงพ่อเองก็ต้องเตือนหลวงพ่ออีกเหมือนกันมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองสูงมองต่ำมองไปมดดรอบด้านสรุปแล้วก็คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทสอนได้เพียงแค่นั้นไม่ใช่สอนแต่หลวงพ่อนะสอนลูกหลานทุกคนอีกต่างหากอย่าตั้งอยู่ในความประมาท คำว่าทำไมจึงไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตอย่างที่วาการล้มหายตายจากไปไม่ได้เลือกว่าอายุมากอายุน้อยแต่ว่าอายุมากนั้นแน่นอนนี่ไม่พ้นอย่างที่หลวงพ่อพูดขึ้นมายืนอยู่จุดนี้แต่สมัยน้อยก็ไปจากไปเป็นคน แต่ก็ไม่ถี่แต่มาถึงจุดนี้แหละไปว่าร่องรยเหมือนกับใบไม้เหลืองใบไม้ร่วงเพราะมันเหลืองแล้วก็หล่นแต่ใบไม้เขียวนั่นก็เป็นบางเป็นบางใบที่มันมีบุ้งมีมแมลงอะไรกัดมันมันก็หล่นลงมาบ้างแต่ก็ไม่มากแต่ใบไม้เหลืองเนี่ยใบไหนก็ใบนั้นล่ะบนทั้งสูก็ต้องร่องรยลงทั้งหมด ในต้นไม้ต้นนั้นนี่แหละอันนี้เรามาถึงใบไม้ที่มันจะแก่มันจะเหลืองแล้วเพราะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่คนโบราณเขาเรียกว่านั่งอยู่ใกล้ฝั่งนั่งใกล้คลองต้นไม้อยู่ใกล้ฝั่งนั่งใกล้คลองพร้อมที่จะโค่นที่จะล้มลงในคลองได้ไ ง, ง่ายๆไม่มีต้นไม้ต้นไหนจะไม่ล้ม บางทีก็ล้มหกล้มกระแทกกระโชกบ้างบางทีก็คโคลนมันเน่าบ้างมันเป็นพโพรงบ้างอะไรมากมายที่ต้นไม้มันจะโค่นมันจะล้มชีวิตของพวกเราถ้าเปรียบเทียบก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเพราะนั้นท่านจะว่ายาตั้งอยู่ในความประมาทแต่ถ้าว่าตายแล้วศูนมันก็ไม่มีอะไร มันศูนย์แต่ถ้าว่าตายแล้วเกิดอีกนะจุดนี้จะเป็นจุดที่พวกเราจะต้องคิดหนักละทนะีก่อนที่จะแยกย้ายออกจากร่างนี้ออกไปนะเราจะมีทุนติดกระเป๋ามีเพชรนินจินดามีบัตรเ t ทเอมติดกระเป๋าของเรามากน้อยแค่ไหนอันนี้แหละท่านว่าอย่าตั้งนึกอยู่ในความประมาทให้สะสมเงินสังสมเงิน สั่งเก็บหอมรอมริบสมบัติของเราที่จะนำติดตัวไปภายภาคหน้าเรามีพร้อมหรื อ, อยังจุดนี้แหละจุดที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าสอนเป็นในตำรับตำราในพระไตรปิฎกท่านก็สอนเห็นได้ชัดคือหลายคนนะบางทีก็ เดินทางไกลดันก็อยากจะตั้งอยู่ในความประมาทควรจะทําบุญควรจะสร้างบุญสร้างกุศลก่อนก็อย่างนี้ก็มีมีเยอะในพระไตรปิฎกแต่หลวงพ่อชอบยกมาก็คือลูกชายของนายช่างทองในกรุงสวรรถีลูกชายนายช่างทองนะไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพอไปฟังแล้วก็เกิดความครบนับถือเลื่อมใส โอ้อยากจะให้พ่อฟังเหลือเกินแต่พ่อเนี่ยไปที่ไหนไม่หนีออกจากบ้านเหมือนคนโบราณอย่างนั้น่ะคือขายทองกลัวจะขาดรายได้ในการขายทองเฝ้าร้านทองตลอดแต่ลูกชายเนี่ยพอปิดร้านทองแล้วก็นุนเข้าไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหาร แต่ก็อยากจะให้พ่อฟังแต่พ่อเนี่เฉยแต่างไม่ได้สนใจแต่วันหนึ่งลูกชายก็เลยจะควรจะได้มนพระพุทธเจ้าไปฉันในบ้านก็คงจะมีฐานะการเงินพอสมควรที่จะถวายอาหารพระสงฆ์ได้ลูกชายก็เลยกราบประหาธนาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มองเห็นแล้วว่าการไปในะสถานที่ใดท่านไม่ใช่ว่าไปเพื่อไปหาเงินหาทองนะ ท่านมองไปละไปจะเกิดประโยชน์ไปในคราวนี้เราจะไปเทศอยู่จุดนั้นพ่อของช่างทองที่ไม่เคยเข้าวัดนะจะได้สําเร็จพระโสดาบันพร้อมกับพวกลูกๆทั้งหลายที่มาร่วมกันถวายพระตาหารพระสงฆ์แล้วก็พร้อมจะถวายทานในวันนั้นเราจะได้แสดงธรรมพวกเขาเหล่านั้นจะได้สําเร็จพระโสดาบันเป็นอย่างน้อย ถ้าต่ำกว่านั้นก็ได้ถึงพระไตสรณคมยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเนี่ยลักษณะอย่างนั้นพระตรงมองมองท่านท่านมีญาณารศนะเนี่ยท่านมองล่วงหน้าไปก่อนมันตรงกันข้ามกับพระทุกวันนี้พระทุกวันนี้บางคนไปที่ไหนจะรวยไปที่ไหนญาติโยมก็จะถวายเยอะนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มองอย่างนั้นะท่านมอง ท่านจะโปรดเวเนยสัตว์ทางหลายจากนั้นลูกช่างทองก็กล่าวบอาราธนาพระพุทธองค์ก็รับอาราธนาจากนั้นพอถึงวันแล้วก็พระพุทธองค์ ก, ง ก, งก็พร้อมกับพระสงฆ์เข้าไปฉันในบ้านที่เขาจัดเป็นที่ต้อนรับพระพุทธเจ้าพอพระพุทธองค์ฉัรพทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พ่อในช่างทอง ไม่มาฟังก็ไม่ได้พระมาฉันพระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านตัวเองจะเฉยเมยก็ไม่ได้แต่ต้องออกมาตอนรับขับสู้แขก ค, คนตลอดถึงถวายพระทหารพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์พอถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ก็จะแสดงธรรมลูกทั้งหลายเขาก็มาแล้วก็คุณพ่อเตี๋ยเขามานั่งฟังอยู่ด้วยแต่ในพระพุทธองค์ก็าตั้งกฎ เฉพาะเจาโจงท่านจะเทศให้ตีคือพ่อของนายช่างทองเพราะใจของเข า, าเหมือนกับมันมีสิ่งปิดบังคำว่าเมฆหมอกปิดบังแสงสว่างไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ในอัตในธรรมพราะพระองค์แสดงธรรมพอแสดงธรรมไปแล้วท่านก็ถามว่าโยม โยมจะได้เดินทางไกลนะจะได้เดินทางทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัดต่างท้องถิน่นไอ้ข้ามันได้อยู่กับบ้านและโยมได้เตรียมได้เตรียมพร้อมในการเดินทางหรืออย่างได้คิดล่วงหน้าไว้ละอย่างว่าเราไม่ใช่เราจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ใช่นะเราจะต้องเดินทาง จำเป็นจะต้องเดินทางอยู่ไม่ได้เราจะต้องเดินทางก่อนที่จะเดินทางนะ่ะเราได้เตรียมอุปกรณ์การเดินทางเครื่องอำนวยความสะดวกแลืวว่าต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราไปอยู่ข้างหน้าเราได้เตรียมพร้อมเลยอย่างว่าอุปกรณ์หรือ ว, ว่าสิ่งที่เราจะใช้ในอนาคตต่อไปภายภาคหน้านะเมื่อเราเดินทางรอเราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราพักเราจะคิดไว้เลยอย่าง ถ้าไม่คิดคิด น, นะคิดไว้นะเดินทางแน่ๆนะก่อนที่เราจะเดินทางเสื้อผ้าของเรามีพร้อมอะไอย่างกระเป๋าเดินทางพวกรองเท้าพวกร่มเรื่องของที่จะใช้ในกระเป๋าของเราเตรียมพร้อมอะไอย่างเราวางแผนไว้ที่ไหนล้วจะไปพักที่ไหนเดินทางไปจะไปพักค้างที่ไหนก่อนจะไปถึงจุดหมายปลายทาง เราได้คิดไว้ละอย่างถ้าไม่คิดคิดเะนะถ้าไม่คิดนั่นล่ละการเดินทางของโยมเนี่ยลำบากแน่ๆตกทุกข์แน่ๆพอเดินทางไปด้วยความไม่ตั้งใจแบบทุปปัตตุเปรตทุลักตุเลไปถึงพอถึงเวลาแล้วก็เดินทางไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่กัน่นอะหมกมุ่นกับการทำมาหาเลี้ยงชีพหมกมุ่นกับการเงินการทอง พอผนในสุดแบมือทั้งหมดเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างที่หามาไว้นั้นและท่นนี้จะมาที่จะเอาของที่จะใส่กระเป๋าก็ไม่มีเพราะมันกระทานกระทานหันกระชั้นชิดเกินไปเสียแล้วผลในสุดก็เดินแบบตัวเปลืยตัวเปล่าไม่มีกระทั่งรองเท้าร่มก็ไม่มีเสื้อผ้าที่จะติดกระเป๋าไปก็ไม่มีเราจะได้รับความลาบากนะถ้าเราไม่คิดไม่วาง แผนไว้ก่อนอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัให้พวกญาติโยมลูกของนายช่างทองลูกหลานนายช่างทองฟังนายช่างทองจะตุ้งอีกเหมือนกันนะโอ้ใช่เราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยจากนั้นพระองค์บทเทศน์นะว่าการจบแล้วช่างในช่า ง, งทองเต่าแก่ช่างทองได้สําเร็จพระโสดาบัน ก็พร้อมกับพวกลูกเพราะท่านเทศจบตอนนั้นท่านก็กล่าวอริยสัจทุกสมุทยัยนิโรธมรรจังทุกขังอนัตตาให้ฟังก็ได้สำเร็จพระโสดาบันนี่แหละกะัะทำว่าโชคดีอย่างมากคล้ายๆกับว่าเป็นพระโสดาบันนะเป็นผู้ไม่ตกต่ำพร้อมที่จะก้าวหนุนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไม่ตกต่ำละ่ะ พระสุราบันแต่ตว่าไม่ไม่ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็คงจะคิดว่าการทำมาหาเลี้ยงชีพการหาเงินหาทองเนี่ยแข่ง ก, กันกับโลกเนี่ยเลิศประเสริฐที่สุดแต่ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอยากการสดแสวงหาเงินคำทรัพย์สมบัติมากมายยังเป็นอยู่ในโลกอยู่แต่ว่าจัดว่าฉลาดยังไม่ได้ ถ้าว่าหาธรรมเข้าสู่จิตใจด้วยหาัเงินทั้งทางโลกด้วยทางโลกเราก็ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็บธรรมในศีลธรรมเข้าสู่จิตใจเตรียมกระเป๋าเดินทางเตรียมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจด้วยอันนั้นแปลว่าผู้ฉลาดได้ทั้งสองทางทางโลกก็ไม่ขาดตกบกพร่องและก็ทางธรรมก็เป็นผู้เตรียมพร้อมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นแหละเป็นผู้ฉลาด แต่ถ้าว่าเราจะแสวงหาแต่ทาเข้าสู่จิตใจอย่างเดียวเราก็ต้องมาบวชเป็นนักพรตนักบวชเป็นชีพภัขาวแล้วก็มาภาวนาอันนั้นได้พรเราทิ้งทางโลกแล้วก็จับทางนี้เลยเราไม่ต้องมุ่งหวังอะไรมากชีวิตทั้งชีวิตพอเป็นพอไปอย่างพอยังชีพให้เป็นไปเท่านั้นแหละพอแต่ธรรมะเข้าสู่จิตใจนั้นเราพยายามเต็มที่ เพื่อจะเข้าให้ธรรมะศีลสมาธิปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในจิตใจของเราให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางที่ใจใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสถ้าเราทำอย่างนั้นคือเราก็ต้องมาเป็นนักพรตนักบวชมาเป็นพระมาเป็นชีมาปฏิบัติธรรมอันนั้นได้แต่ถ้าเรายังเป็นครวญญาจมยัง ครองชีพอยู่เราก็ต้อง ส, ะสะวงสหาแต่เราจะไปมุ่งมั่นมกมุ่นอยู่กับการ ส, ะสะวงสหาทรัพย์อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้หาธรรมะเข้าสู่จิตใจอันนั้นยังขาดขาดตกป ก, ปกพ่องพอชีวิตมาถึงมาจวนตัวเข้าไปแล้วก็หาที่พึ่งอย่างอื่นไม่ได้ปล่อย เ, อเปล่าล้างมือ แบมือไม่ได้อะไรเลยเพอเพอยังทำกรรมชั่วติดตัวไปอีกต่างหากยังเป็นนี่พลงพลังอีกนี่คืออะไรคือทำกรรมชั่วไปฆ่าไปป่นไปคดไปโกงไปทำความ ค, ความชั่วเสียหายมากต่อมากทำให้จิตใจดวงนั้นได้รับความทุกข์ยากลาบากกรรมการกระทำความชั่นติดจิตติดใจดวงนั้นไปอีกต่างหาก เพราะนั้นพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทสิ่งเหล่านี้เราต้องได้คิดได้เตรียมตัวเตรียมใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาทวานเมื่อวานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดหลวงปู่คูนท่านก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่บวชมานาน 47, สี่สิบเจพันษะาท่านบวช ท, ที่หลังหลวงพ่อพรนษาหนึ่งแต่อายุของท่านมากกว่าหลวงพ่อปีหนึ่ง แ้่ท่านบวชที่หลังห ล, งหลวงพ่อปีหนึ่งแต่ท่านอายุเจ็ดสิบหลวงพ่อหกสิบเก้าปัญษาของท่านสี่สิบเจ็ดหลวงพ่อสี่สิบแปดนี่แหละจะว่าไปแล้วก็ถ้าหวห่าพวกเราคิดโอ้ยังน่าจะสูงกว่านี้ไปอีกแต่จะทำยังไงได้ชีวิตไม่ใช่เราจะกำหนดกฎเกณฑ์ได้ พญามัจุราชหรือว่าท่านเอามาเพียงแค่นั้นผมเล็กคิดให้เพียงแค่นั้นเนี่ยพมคืออะไรคือคือกรรมกรรมเล็กคิดให้ได้เพียงแค่นั้นกรรมเป็นผู้กําหนดจะอายุสั้นอายุยาวกรรมเป็นผู้กําหนดกรรมคือการกระทำํำผู้ที่อายุยืนยาวทำำํากรรมอใ น, นอดีตไว้คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ แล้วก็ส่งเสริมให้พวกอาหารสัตว์ทำบุญทำทานกับเพื่อนมนุษย์ชาติส่งเสริมเรื่องอาหารเรื่องยุกเรื่องยาเรื่องอะไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์อันนั้นคือกรรมดีในอดีตนแต่ถ้าว่าผู้ที่อายุสั้นก็ชอบฆ่าสัตว์ลังแกสัตว์เบียดเบียนสัตว์ นะทำให้ร่างกายทุกพลภาพเจ็บไข้ได้ป่วยและกรพร้อมกันชีวิตสั้นด้วยสรุปกนะ็คือเรื่องปานาสินข้อปานาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเนี่นะเออเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนั้นคือสินข้อปานาเพราะนั้นอย่าเราเราอย่ามองข้ามนะไม่ใช่เห็นหมดเห็นปกเห็นอะไรก็บี้ไปหมดฆ่าไปหมดไม่ได้นะอันนั้นก็คือบาปกรรมตัวนั้นจะตามสนองติดจิติใจสําหรับพวกเราไป พละโลกภายภาคหน้า น, นั่นแปลว่ากรรมชั่วตามแตะกรรมชั่วจะทําทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วจะให้ผลเมื่อภายหลังฮนี่แหละอันนี้แหละคือกรรมชั่วแต่กรรมดีนั่นคืออะไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวานาปฏิบัติธรรมอันนี้คือกรรมดีเมื่อเราทํากินกรรมดีแล้วกรรมดีเกิดตามสนองอีกเหมือนกันแปลว่าทั้งสองทั้งสองอย่างฮ จะหลวัดสองตัวนะตามใจของเราจะหลวัดตัวหนึ่งผลักดันให้ไปสูงสง่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตะหลวัดตัวหนึ่งตามไปเพื่อจะทำลายทําร้ายทําลายเราอมันตามไปทั้งสองนะกรรมดีกับกรรมชั่วเพราะนั้นพวกเราให้ทําแต่กรรมดีกรรมดีแล้วมีแต่หลวัดที่จะผลักดันไปสู่ สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆชวันสั้นพรมขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงนิพพานฮะอบุญกุศลนั่นแหะจะเป็นเครื่องเกลือกูุหนุนพวกเราเพราะฉะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่หลวงพ่อได้ปูดชีวิตเป็นของอไม่เถียงแท้แน่นอนอย่างหลวงพ่อคูนหลวงปู่คูนของเราจากไปเนี่ยแหะแล้วพวกเราท่านทั้งหลายะจะต้องเดินตามแนวแถวหลวงพ่อคูน่ะไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ หลวงพ่อเองนะหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนะบอกแล้วบอกอีกสอนแล้วสอนอีกเมื่อตัวเองไม่ตั้งอยู่ในความประมาทแล้วยังเหมาะบอกพวกเราท่านทั้งหลายอีกลูกหลานทุกคนเอออย่าตั้งอ ย, อยู่ในความประมาทนะขนาดหลวงพ่อเนะ่ยคิดเต็มใจแล้วจิงไหนที่เป็นคุณงามความดีจึงไหนที่เป็นบุญกุศลจึงไหนที่จะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ทำเต็มที่เลยในจุดนั้นนะรับพรอนุโมทนาให้พร